ชนิดที่ขยายออกเป็นการกระทำภายนอกและซึ่งกระทำกันอย่างเป็นงานเป็นการที่เรียกว่าประธานะหรือประธานนั้นต้องเกี่ยวข้องและอิงอาศัยปัจจัยแวดล้อมภายนอกเป็นอันมากทั้งปัจจัยแวดล้อมทั้งร่างกายทั้งธรรมชาติและทางสังคมณจุดหรือขั้นตอนนี้แหละที่พุทธธรรมกล่าวถึงบทบาทและความสาคัญของปัจจัยแวดล้อมภายนอกเหล่านั้น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 หรือประทานมีห้าประการเหล่านี้ห้าประการคืออะไรกล่าวคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อตถาคตะโพธิว่าแม้เพราะเหตุดังนี้ดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นอรหันต์เป็นสัมมาสัมพุทธะละจนถึงเป็นผู้จำแนกแจกธรรมสอง เป็นผู้มีอาภาษน้อยมีโรคน้อยประกอบด้วยไฟเผาพลานเครื่องย่อยอาหารอันสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักพอปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร 3. เป็นผู้ไม่อวอวดไม่มีมายาเป็นผู้เปิดเผยตัวตามเป็นจริงทั้งในพระศาสดาทั้งในเพื่อนพรหมารีีผู้เป็นวินยู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 ภิกษุทั้งหลายห้าอย่างเหล่านี้มิใช่สมัยที่เหมาะสำหรับบำเพ็ญเพียร5้าอย่างคืออะไรกล่าวคือ 1. ภิกษุเป็นผู้แก่เท่าถูกชราครอบงำา 2. ภิกษุเป็นผู้เจ็บไข้ถูกพยาธิครอบงำา 3. สมัยทุกภิกขาข้าวไม่ดีหาอาหารยาก ไม่สะดวกที่จะยังชีพด้วยบินทบาด 4. สมัยที่มีภัยเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายจนผู้ร้ายจับป่ามาปล้นตีชาวชนบทพากันขึ้นยานพาหนะพันพ้ายย้ายหนี 5. สมัยที่สงแตกแยกเมื่อสงแตกแยกแล้วย่อมมีการด่าว่ากันบริพาทกัน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 พร้อมเพียงกันชื่นชมต่อกันไม่วิวาดกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองดูกันด้วยสายตาประกอบด้วยความรักห้าสมัยที่สงพร้อมเพรียงกันชื่นชมต่อกันไม่วิวาดกันมีอุเทศร่วมเป็นอันเดียวกันเป็นอยู่พาสุขเมื่อสงพร้อมเพรียงกันก็ไม่มีการด่าว่ากันไม่บริพาดกันไม่ใส่ร้ายกัน